เมื่อวันซื้นได้พาคนไปสำรวจทางเดินในป่าที่ผู้หลงผู้หลงนี่ก็เป็นสาขาหนึ่งของสุกโตนะอยู่หอจชนีดสิบกิโลพระน้อยกว่าแต่ว่าป่านี่เยอะกว่านะสามพันกว่าไร่เป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งเอหลวงพ่อท่านเคยปารบไว้นะว่าใน ช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านท่านก็อยากจะดูแลรักษาฟื้น ฟ, นฟนูป่าที่พูหลงแต่ว่าท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะทำได้มากนะเพราะว่าชราสองราษาสุดท้ายนะรษาห5 5หท่านก็ไปจำภรษาที่นั่นทีนี้เรื่องการทำทางสำรวจ ท, ทางทำเดินป่าเนี่ยนะทางมุนิธิไทยรัก ป่าก็อยากจะมาทำเรียกว่าพัฒนานะหรือสร้างทางเดินป่าสำหรับการศึกษาธรรมะและธรรมชาติเขาเคยไปทำที่กิวแม่ปานก็ได้รับความสำเร็จนะคนที่ไปที่นั่นก็ได้เข้าใจเรื่องธรรมชาติมากขึ้นเขาก็ทำหลายที่แล้วปีละแห่งสองแห่ง ดอยนทนนก็ทำเหมือนกันแต่ว่าที่ผูหลวงนี่เป็นของแปลกสำหรับเขาเพราะว่าจะไม่ใช่เป็นทางเดินป่าเพื่อเข้าใจธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่าเพื่อเข้าใจธรรมะด้วยเขาก็เลยสนใจก็มาเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ว่าปีนี้ก็จะทำให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้น คณะที่เดินสำรวจนะก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องธรรมชาติบางคนก็เคยเป็นอดีตข้าราชการกรมป่าไม้ก็ได้มีโอกาสนะได้ไปเรียนรู้ธรรมชาติจากเขาเพราะว่าจะต้องกําหนดว่าจะมีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดเพื่อการเรียนรู้ธรรมะและธรรมชาติก็มีประมาณสิบหกจุดนะแล้วเขาก็ ชีเห็นนะว่าเห็นนิสัยใจคอของต้นไม้นะจำนวนมากนะซึ่งมันมีนิสัยแตกต่างกันถึงแม้จุดหมายจะจะมีเหมือนกันคือว่าการพยายามที่จะรับแดดให้มากที่สุดธรรมชาติต้นไม้คือต้องการรับแดดให้ได้มากที่สุดต้นไม้บางชนิดก็อาศัยการาทําลําต้นให้สูงใหญ่น ะ, นะอย่างพู่ไม้ยืนต้นเนี่ยนะ มันจะมีความเด่นก็คือว่าลำต้นมันสูงใหญ่แล้วมันก็จะสามารถที่จะแทงยอดขึ้นไปจนกระทั่งรับแดดได้เต็มที่แต่บางชนิดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีที่เร็วกว่า น, นั้นนะไอ้ถ้าจะทำลำต้นให้สูงใหญ่นี่มันใช้เวลานานอย่า ง, างเช่นมะข่าหรือว่าพยุงตะแบกนี่โอ้ยนะ พวกนี้มันใช้เวลานานกว่าลำต้นจะสูง15บหาเมตร30เมตร50เมตรบางต้นก็ใช้วิธีง่ายๆนะแบบไผ่เนี่ยนะไม่ต้องมีแกนอะไรมากเอาแค่ทำลำตัวลำให้มันสูงก็พอข้างในก็กลวงแต่ว่าผิวมันนี่แข็งแรงนะที่เราใช้ไผ่กันให้เป็นประโยชน์มากนี่ก็เพราะว่า มันมีผิวที่แข็งแรงนะแต่ว่าข้างในหรือแกนกลางนี่กลวงโบวิธีนี้ก็ทำให้มันได้สามารถที่จะพุ่งขึ้นรับแดดได้เร็วนะปีนึงก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วแต่บางชนิดก็ใช้อีกวิธีหนึ่งนะที่ใช้กาคิดนอกกรอบนะก็คือพวกเถาวันนะเถาวันนี่ลำต้นมันบางๆลำต้นมันเล็กๆอาศัยใช้วิธีการเลื้อยไปนะอาศัยไม่ต้อง ไม่ต้องใช้ลำต้นใหญ่หนานะเล็กๆแต่ว่าสามารถที่จะเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเกาะไปเกาะต้นไม้ใหญ่ๆเพื่อที่จะได้ไปรับแดดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เร็วนะแล้วก็พอไปถึงยอดแล้วถึงค่อยแผ่กิ่งก้านสาขาแต่ตอนที่อยูอ่ในป่าชั้นล่างนี่มันไม่ัมนไม่มันไม่ค่อยแผ่กิ่งก้านสาขาเนะเพราะว่ามันคิดอย่างเดียวว่าทาไงถึงจะให้มันขึ้นสูงได้ไว ก็ใช้วิธีการเกาะการพันการใช้ลาก ย, ยึดเหนียวลำต้นสูงใหญ่นะอันนี้เรียกว่ามาทางลักนะแต่ว่าก็ได้ผลเหมือนกันคือว่าได้ไปเจอแดดนะพอเจอแดดแล้วถึงค่อยแผลกิ่งก้านสาขาแต่ก็มีหลายชนิดนะที่มันไม่มีปัญญาทําแบบนั้นมันเป็นไม้ชั้นล่างเป็นไม้พุ่มก็ได้รับแดดน้อยนะ แต่ว่าเขาก็พัฒนาตัวเขาให้มีความสามารถในการใช้แดดที่เป็นประโยชน์แม้จะได้แดดเพียงน้อยนิดแต่ว่าสามารถจะใช้แดดให้มันเกิดประโยชน์เต็มที่นะก็อยู่ได้เหมือนกันแล้วก็อยู่ได้อย่างอย่างมีความสุขด้วยนะสามารถที่จะออกดอกออกผลได้แล้วก็อยู่ได้นะอาจจะอยู่ได้ยั่งยืนกว่าพวกไม้ยืนต้นทั้งหลายซึ่งบางทีก็โดนพายุ พ, พัดไปต้นไม้ยืนต้น ยืนตายนี่เยอะแยะมากเลยเนะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะของต้นไม้แต่ละชนิดซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความอาความสามารถแตกต่างกันแต่ว่าก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดมาเห็นไม้พุม่มเหล่านี้แล้วก็นึกถึงคนเรานะบางคนก็มีเงินน้อยนะไม่มีเงินมากแต่ว่า เขาก็สามารถจะใช้เงินที่เขามีอยู่น้อยนี่ให้เป็นประโยชน์ได้นะคนบางคนนี่ร้อยบาทนะใช้ไปได้ประโยชน์เดี๋ยวเดี๋ยวนิดเดียวเองแต่คนบางคนใช้ประโยชน์จากเงินแค่บาทเดียวเนี่ยนะอย่างชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็รู้จักใช้ประโยชน์ใช้สอยจากทรัพยากรต่างๆเขาจะมีเงินรายรับปีหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะใช้ เงินไม่กี่บาทนี่ให้เกิดประโยชน์ได้ก็ยังสามารถจะเลี้ยงตัวได้เรียกว่าใช้เสียเล่ก็ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่มีของเสียนะของเสียที่มีก็เอามาเอามาหมุนเวียนมารีไซเคิลนะให้อยู่ได้บางคนบางคนก็มีเวลาน้อยนะแต่ถ้าว่ารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มันก็คุ้มค่าเหมือนกัน คนบางคนมีเวลามากมายนะแต่คนบางคนมีเวลาลอนมีเวลาน้อยเช่นเวลาปฏิบัติธรรมบางคนไม่สามารถจะมาวัดปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันนะมีเวลาต้องใช้เวลาในการทํามาหากินในเวลาว่างที่จะมาปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราก็ทําได้ยากแต่ถ้าเขารู้จักใช้เวลาที่มีอยู่แต่น้อยนิดนี้ให้เกิดประโยชน์นะเช่นไม่ว่าทําอะไรก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วย นะทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมนั่งรถอยู่บนท้องถนนรถติดก็ปฏิบัติธรรมไปไดนะ้ทำโครก็ปฏิบัติธรรมไปนะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยพระโสนานะพระโสนาเทลีนี่ถูกถูกใช้งานเยอะนะเพราะว่าพรรษาน้อยแต่ว่าก็ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะที่กำลังต้มน้ำนะัต้มน้าเพื่อ ให้พิสุจนีพรรษามากๆได้ใชนะ้ตัวเองก็เดินจงกลไปด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าใช้เวลาที่มีแต่น้อยนิดนให้เกิดประโยชน์นะเหมือนกับต้นไม้ที่แม้จะได้แสงเพียงน้อยนิดนะแต่ว่าก็สามารถจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องได้แสงมากๆก็ได้นะะคนร้อนนี่ก็ต้องเรียนรู้อ่ากต้นไม้นะไอ้ไม้พุมูวนี้นี่เขมีอาจจะมีความ ความสามารถไม่มากนะตัวลำต้นก็เล็กนะใบก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้กับแสงที่มีเพียงน้อยๆ น, นะที่มันเล็ดลอดมาจากเลือดยอดของต้นไม้ที่สูงใหญ่นะคนเรานี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะหลวงพ่อเขียนต้องใช้ว่าช่วยโอกาสนะถึงแม้ไม่มีเวลามากนะอย่างนักปฏิบัติธรรมที่วัดไม่มีเวลามากอย่าง อย่างพราหรือแม่ชีนะเพราะว่าต้องอยู่บ้านนะทำมาหากินแต่ว่าเวลาอาบน้ำเวลากินข้าวเวลาหันผักนะมงต้องปฏิบัติทําได้ก็จเจริญสติไปได้โช่วยโอกาสหลวงพ่ออมเขียนท่านเปรียบว่านักปฏิบัติธรรมต้องโชยโอกาสเหมือนแม่ค้าแม่ค้าแถวสถานีรถไฟนะแม่ค้าตามสายรถไฟนี่เขารถจอดสถานรถไฟจอดแค่3นาที เขาก็รีบขึ้นมาบนรถแล้วก็ขายของในเวลาสามนาทีเขาก็สามารถจะขายของไปได้เยอะหรือแม่ค้าตามตรถเมย์นะรถแถวบขสนี่สมัยก่อนนี่รถสีส้มนะก็จอดเรียกว่าจอดถี่มากนะแต่มีเวลาจอดไม่นานนะแม่ค้าก็เอายาดมยาลมยาหม่องมาขายเอาพวกน้ําอัดลมมาขาย ก็ใช้เวลาไม่นานนะแค่ห้นาทีบางทีไม่ถึง5้าทีก็ขายของไปได้เยอะหลวงพ่อท่านว่านออพวกนี้โชว์โอกาสนะคือโชว์โอกาสทางที่ดีนะคือช่วยเวลาที่มีอยู่นักปฏิบาททาัติธรรมต้องโชว์โอกาสแบบนั้นบ้างเวลาแค่3นาที5้าทีก็ไม่ปล่อยทิ้งให้ผ่านเลยไปเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมเอามาใช้ในการเจริญสติมีเพื่อนคนนึงเป็นหมอเป็นหมอผ่าตัดนี่งานเยอะมากเพราะเขาขยัน บางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนยี่ชั่วโมงเลยโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เพราะอุบัติเหตุเยอะระหว่างที่เปลี่ยนระหว่างที่รอคนไข้คนไข้เก่าออกไปผ่าเสร็จคนไข้ใหม่รอกำลังรอเขาเข้ามาเวลาแค่5้สินาทีนี่เขาก็เจริญสติได้แล้วตามลมหายใจเป็นการพักไปในตัวด้วยอันนี้ก็เลยฉวยโอกาสนะใช้เวลาที่มีน้อยนี้ให้เกิดประโยชน์นะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ธรรมชาติ หลวงพ่อท่านก็เขียนไว้นะในในในป้ายนะที่หน้าหน้าพุทธลูบเนี่ยนะว่าคนเราก็สามารถจำบารุธรรมได้จากการสังเกตธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาตินอกตัวหรือธรรมชาติในตัวนี่ถ้าเราหมั่นสังเกตก็จะสามารถเห็นธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการไอธรรมการรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติไว้นะมันไม่ใช่มีประโยชน์แค่ทําให้ได้น้ําได้อากาศได้ปัจจัย4นะแต่ว่ามันยังเป็น สิ่งว่าล้อมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดินทางเดินป่าเนี่ยนะที่ภูหลงเนี่ยที่กาลังจะทำนี่เขาก็ก็มีจุดมุ่งหมายนี่แหละเพื่อให้คนรักทั้งธรรมชาติแล้วได้สืบซั์ธรรมะนะจากการที่ได้เดินไปสังเกตธรรมชาติไปก็ปีหน้าคงจะเสร็จนะเสร็จแล้วก็มีโอกาสก็ไปดูกันเพราะว่าเขาก็ตั้งใจทํากันนะนะใช้เวลาสามปีนะในการพัฒนาทำโครงการนี้เนะี่ย อ่าแล้วก็เตรียมรับพร